พี่ชายอีกคนหนึ่งมาบวชเป็นสัมมนเนีนอยู่ที่วัดภูตะบันพธเมื่อเป็นเด็กเขาอยู่ที่อำเภอรัตภูนที่มาบวชเป็นสัมมนเนยนอยู่ที่นี่ก็เพราะมีพี่ชายคนโตวบวชเป็นพระอยู่เขาคิดถึงบ้านที่รัตภูิจึงอยากจะกลับบ้านชวนข้าพเจ้าไปด้วยต้องเดินไปไกลามากกว่าจะถึงริมทะเลที่บ้านตากลมลงเรือใบเล็กๆจากบ้านตากลม